ามาต้องการที่จะทดสอบว่ราเราเราตั้งประเด็นว่าเราจะรู้เท่าทันความเพลินได้อย่างไรเพราะเรารู้ว่าความเพลินเป็นที่มาของนิวรนิวล์ทุกตัวถ้ามันไม่เพลิไม่เพลินมันเกิดไม่ได้เพราะนั้นเมื่อเรานั่งฟังนลองพ่อเทียนทนเพลินอามาก็เลยถามว่าประโยคสุดท้ายนลวงพอเทียน ก่อนที่จะจบท่านพูดว่าก่อนที่มาถึงประโยคที่มาถามประโยชนสุดท้ายเนี่ยกับประโยคก่อนหน้านั้นพูดว่าเรามาปฏิบัติเนี่ยเราไม่ได้มารู้ธรรมที่พระพุทธเจ้ารู้แต่เรามารู้ธรรมที่มีอยู่ในตัวเองอันนี้ประโยคก่อนที่จะทำประโยคสุดท้ายอันนี้เตือนความจําก่อนว่า ก่อนที่จะพูดประยคือท้ายท่านพูดอย่างนี้เรามารู้ในธรรมที่มีอยู่ในตัวเราแต่เราไม่ได้ไปรู้ธรรมที่พระพุทธเจ้าแต่จะรู้อนี้เป็นประโยชน์ที่ท้าทายและประโยชนสุดท้ายท่านว่าอย่างไรถามยมวนาพ่อวนาก่อนอระยชนสุดท้ายพุทธเจ้าเจอพระวุฒิของพรเห็นเขมาหลงพรเห็นว่าเป็นพระพุทธเจ้าทุกที สมัยสมัยนู่นเนาะเขาจะเรียกว่าหลวงพ่อชิทธาตุพก็ตอมาก็กลายเป็นผู้ที่เย้าอยู่ว่าฮั่นนี้ฉะ <laughs> <laughs> นั้นอตรงนี้ก็คือว่าเรารู้จักบาปหรือยังที่เรายังกลัวบาปอยู่เนะี่ยก็เรายังไม่รู้จักบาปแต่ที่เราทําบุญแต่ถ้าเราไม่รู้จักบาปก็ยังเอาบุญไม่เป็นเพราะต้องการทําบุญแต่เอาบาปไปได้บาปไปเพราะไม่รู้จักบุญ สิ่งที่เป็นบาปมากที่สุดคือไม่รู้สึกตัวนั่นใช่ไหมพี่คือสุดท้ายนั่นสิ่งที่เราทำเนี่ยเรารู้สึกตัวก็ถือว่าเป็นบุญที่สุดแล้วแต่ว่าถามว่ามันรู้สึกตัวตลอดไหมไม่ <c oughs> ไอช่วงที่ไม่รู้สึกตัวนี่แหละมันเป็นบาป เพระนั้นในะช่วงที่ทำทั้งวันเนะี่ยบาปกับบุญมันอันไหนมากกว่ากันพอประเมินได้หรือยังป <c oughs> อะเมือนได้ว่าเพราะนั้นบุญกับบาปก็มาด้วยกันนะั่นแหละเผลอก็เป็นบาปเอาพอรู้สิ่ตัวเอาเป็นบุญอีกแล้วสลับกันไปสลับกันมาสิ่งเหล่านี้เป็นสัมบัญญัติที่เราคิดเราตีความหมายไปต่างๆนานา เราก็เลยไม่รู้จักนั่นเราอยากจะได้บุญก็ไม่ยากทำความรู้สึกตัวในทุกเรื่องรู้สึกตัวในขณะพูดว่ากําลังพูดอะไรมีสาระหรือไม่มีสาระมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ไม่ใช่รู้สึกตัวเฉยๆนะให้รู้ว่ากําลังทําอะไรด้วยและขณะที่เราทำํำเรารู้สึกตัวไหมว่าสิ่งที่เราทํามันเป็นทําให้เกิดความอ ลำบากเดือดร้อนหรือคัมันเกิดความสบายมันเป็นสิ่งที่จะนำไปสู่ความสุขหรือความทุกข์ให้รู้สึกตัวแบบนั้นและสิ่งที่กำลังคิดอยู่ก็ให้รู้สึกตัวอีกว่าเราความคิดนี้จะนำไปสู่ความเดือดร้อนหรือความสงบการรู้อย่างนี้ก็กะรู้สึกตัวไม่ใช่รู้สึกตัวเฉย รู้สึกตัวเฉยๆคุณไม่ต้องปฏิบัติเขาก็รู้อยู่นะแต่เรารู้อะไรเป็นอะไรนั่นเองหลวงพ่อพุทธท่านว่าผู้ที่นับถือพุทธศาสนาคือผู้ที่ว่ารู้อะไรเป็นอะไรเป็นคําจำกัดคําสั้นๆแต่กินความลึกนนทีนี้ตอนกันบ้านวันนี้มาได้ให้อะไรไปจําได้ไหมนั่นคืดูอะไร นิวรณถ้าจะถามว่าวันนี้นิวรณเกิดมากหรือเกิดน้อยแต่ละคนเกิดไม่เท่ากันใช่ไห ม, ไมเกิดมากเ <c oughs> พราะเราจะไปไล่นิวรณ์ไปไล่จับนิวรณมันนี่งีิ่งกลับก็กยิ่งเกิด <c oughs> แต่ให้ไปรู้ว่าอะไรเป็นตัวเกิดนิวรณให้ไปจับที่ตรงนั้นไม่ต้องไปจับนิวรณแต่ไปจับตัวที่มันเป็นเหตุให้เกิดนิวรณ์ อะไรเป็นเหตุให้เกิดนิวรณนะ์ก็คือความเผลอและความเพลินแล้วก็ไปจับที่ความเผลอและความเพลินจะง่ายกว่านะมันนิวรณ์หมายความว่ามันมันเป็นลูกแล้วเป็นผลแล้วแต่ว่าอ่าก่อนที่มันจะเป็นลูกเป็นผลเนี่ยเราก็ไปตามทันเหมือนกับโบราณเวลาเขาเห็นอมะม่วงมันติดเยอะๆเนี่ย ขเขาก็จะเด็ดทิ้งเด็ดดอกเด็ดลูกเล็กๆมันทิ้งแต่ถ้ามันโตแล้วไปเด็ดทิ้งก็เสียดายมันง่วงเราจะไปลูกนี้ก็เสียดายมันก็ง่วงอีกชักหน่อยอย่างนงี้ยนะพอคิดแล้วกำลังสนุกๆ ก, ก็ไม่อยากเลิกคือคิดใ น, นมันจบก่อนอย่างเงี้ยมันเป็นลูกแล้วมันจะเด็ดทิ้งก็เสียดายก็เริ่มเด็ดตอนที่มันกำลังเป็นดอกทิ้ง อะไรก็ทำบุกถกเพราะติดเดยอะแล้วเนี่ยมันก็ทำให้หนักนะกิะ่งมันอาจจะหักที่ลูกมันอาจจะเล็กอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็เราต้องการไว้สักกี่ผลกี่ลู ก, กเอาไว้แค่นั้นนอกนั้นเด็ดทิ้งให้หมดเหมือนกันความคิดหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้น น, น่มันเหมือนดอกเห็ดดอกไอ้มม่วงเป็นชอ่อเป็นหมืน่นเป็นแสนดอก แต่เม่ได้ไหมายความว่าโม่วงๆจะติดหมดทุกดอกความคิดและอารมณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นเป็นหมื่นเป็นแสนแต่ก็ไม่ได้ความว่ามันจะมันจะเป็นสาระทั้งหมดแต่ถ้าหากปล่อยให้มันเป็นกับเราเด็ดมันทิ้งเนี่ยอันไหนจะดีกว่ากันถ้าเด็ดมันทิ้งหมายก็ว่าเร า, าไม่ต้องไปเสีย ธาตอาหารให้กับดอกหรือดอกที่มันเป็นลูกแล้วมันหลนทิง้งมันจะเป็นโอกาสให้ลูกมะม่วงที่เหลืออยู่เนี่ยมันไม่โตเต็มที่แล้วก็ไม่ได้รับรสอาหารเต็มที่แต่พอเราถือโอกาสเด็ดดอกมันทิ้งเสียเนี่ยมันก็มีโอกาสให้มะม่วงลูกมะม่วงที่เหลือนะั้นได้รับธาตุอาหารเต็มที่สมบูรณ์เต็มที่เนี่ยลูกก็ใหญ่ แันใดก็ดีเมื่อเราเลือกอความคิดและอารมณ์ที่เราต้องการให้มันมีในส่วนที่มันไม่ต้องการให้มันมีก็สลัดทิ้งไปเพราะนั้นสิ่งที่เหลืออยู่มันก็จะกลายเป็นตัวสาระตัวปัญญาตัวสภาวะธรรมเราเด็ดความไม่รู้สึกทิ้งไปเอาความรู้สึกตัวไว้เราเด็ดความคิดปรุงแต่งทิ้งไป เหลือแต่ความคิดที่มันไม่ปรุงแต่งที่เป็นความจริงอย่างนี้เป็นต้นถ้าเรารู้จักอย่างนี้ก็เรีวารู้จักบุญนะแล้วก็เราเอาสดัดบาปทิ้งไปถ้าบุญกับบาปมันก็มาด้วยกันสิ่งไหนที่มันไร้สาระสิ่งนั้นเร้ยว่าบาปสิ่งไหมันมีสาระสิ่งนั้นเร้ยวบุญเหมือนกับเราได้ปลามาตัวหนึ่งนะอันไหนที่มัน้ายไม่ได้เราก็ตัดทิ้งไปตัดทิ้บตัด ม้วตัดหางตัดเอาขี้เอาก้างอะไรออกไปมันมาด้วยกันลักษณะบาปเป็นโครงสร้างของบุญถ้าไม่มีบุญก็ไม่มีบาปถ้า ม, มีบาปก็ไม่มีบุญมันก็มาด้วยกันแต่ว่าเวลาเราจะใช้เราก็สลักเอาส่วนที่เป็นบาปทิ้งไปใช้เถื่นที่เป็นบุญ <c oughs> น, นี่เ้าเรียกว่าคนรู้จักบุญ ก้บุญเป็นคนรู้จักบาปก้าสละบาปทิ้งบาปได้ง่ายเหมือนว่าเราปลาตัวหนึ่งคนไหนรู้จักก้างจักขี้จักอะไรที่ไม่ต้องการก็ตัดทิ้งไปก็หรือว่าแต่นเนื้อมันก็ไม่เป็นพี่เป็นภัยแต่ถ้าว่าไม่รู้จักบุญไม่รู้จักบาปมากินปลาทั้งตัวทั้งขี้ทั้งก้างทั้งอะไรมันลงไป ปลาดูนะเหมือนกันที่มันจะเป็นอาหารเรื่อายเป็นเครื่องเกิด อ, อันตรายกับท้องกับไส้อันเดียวกันนะเพราะฉะนั้นถามว่าตั้งคำถามแลวนะในนิวรณ์ถ้าตัวไหนหนักที่สุดตัวไหนเบาที่สุ ด, ต, สดตัวไหนกลางกลางเลยที่เองแล้วก็ดับไปความง่วงก็ไม่มีความขี้เกียจก็ไม่มี ความมือทีห่หมืนิดก็ไม่มีความลังเลยสงสัยก็ไม่มีนั่นวันนึงวันนี้ก็ต่อบทเรียนได้นะ <c oughs> ถ้านิวรณ์สงบเนี่ยเราจะได้สมาธิเราจะได้ปิตินะปิติสมาธิเกิดขึ้นอันนั้นเป็นสลักนิวรณ์ว่าเมื่อเมื่อนิวรณ์สงบสมาธิก็ปรากฏปิติสมาธิปรากฏ เมื่อพิีสมาธิปรากฏอุเบกขาจิตนิ่งๆเนี่ยจิตเฉยๆจิตรู้เฉยๆ ก, ๆก็ปรากฏวันนี้ตัวรู้เฉยๆมีมากกว่าใช่ไหมน ม, มากกว่าพร น, นั้นตัวนิ่งตัวรู้เฉยปรากฏมากกว่าตัวตื่นรู้ก็ปรากฏที่นี่ก็ในช่วงต่อไปให้ไปตามรู้เรื่องของ ตัวสงบแบบสงบจากกิเลสกับสงบจากสงบจากสังขารกับสงบจากอารมณ์เพราะสังขารคือสงบจากกิเลสนะต่างกันยังไงให้ไปดู ด, ดูรู้แล้วอย่างว่าความจิตที่สงบจากอารมณ์กับสงบจากกิเลสหรืสงบจากสังขารนนะมีความต่างกันยังไงนั่นเอง ให้ไปดูตัวนี้ไงให้มันดูว่าตัวสงบจากอารมณ์คือสงบแบบไหนและสงบจากการปรุงแต่งหรือสงบสังขารสงบแบบไหนนิวรณ์นี่นิวรณ์ก็คือตัวตัวง่วงตัวเงาตัวฟุ้งซ่านตัวปรุงแต่งมันเรียกว่านิวนณนะ์เพราะนั้นให้เอาเรื่องนี้ไปพิจารณาอารมณ์ที่คือสิ่งที่มากระทบตาของจมูกลิ้นกายใจ ควรจะเป็นสังขารหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวสติมาทันหรือไม่ถ้าสติมาไม่ทันก็เป็นสังขารถ้าสติมาทันก็เป็นเพียงอารมณ์ที่มากระทบแล้วก็ทำอารมณ์ีกระทบแล้วก็ผ่านไปเราผ่านไปแต่บางคนไม่ให้แม้กระทั่งจะให้เกิดการกระทบไม่รับรู้ต่อการกระทบ เพื่อพาเราไปรับรู้กกแล้การกระทุ่มันจะไม่สงบจริงๆถามว่าการสงบจากอารมณ์กับการสงบจากสังขารหรือคงแต่งเนี่ยต่างกันอย่างไรทีนี้ต่อไปตัวนิวร์คือความง่วงต้นตอมาจากอะไรต้นตออย่าบอกว่ามาจากความเพลินนะ หมายความว่าต้นตอของตัวงมวงจริงๆอ่ะมันเกิดจากอะไรอ่ะอันที่สองต้นตอของความฟาุ้งซ่านฟุงแต่งเนี่เหตุของมันจริงๆคืออะไรแต่มันต้องว่าความเผลอความเพลินนะความเผลอความเพลินหมายควา ม, มว่าก่อนหน้าที่จะเผลอจะเพลินเป็นตัวนี้อีกเนี่ยคือแต่ว่าเราตอบไปแล้วว่าว่าเ ผ, ผลอเพลินเนี่ยขอให้เกิดนิวรณ์ตัวต้นตอของมันมันเกิดจากอะไรพรตัวกลาง ที่เกิดถัดมานั่นก็คือตัวเพลิงตัวเพลินเป็นตัวกลางใช่ไหยแต่ต้นตอมันอีกเอยต้นตอที่ให้เกิดตัวเพลินตัวเพลินนี่คืออะไรว่างั้นเถอะแ้่จะว่าให้ถูกตามลำดับมันนะตามลำดับการเกิดใครตอบได้เลยโยมเราพินยิ้มว่าจะตอบได้เลยนั่นแหละ ถึงให้ไปพิจารณาดูว่าไอตัวอะที่ทําให้ก่อให้เกิดการเผลอและการพลืนเพราะเรารู้ว่าตัวเผลอและตัวพลืนเจะให้เกิดตัวม่วงและตัวพุ่มสร้างอันนี้ยังอันนี้ยังไม่ใช่นะนนยังไม่ใช่ไปพิจารณาแล้วผู้นี้มาตรวอบแบมตอบเดิได้หรือเปล่าหรือว่าขอไปพิจารณาแปยัติก่อนอสังขารความสงบจากสังขารจากความสงบจากอารมณ์ ความสงบจากกิเลสกับความสงต่างกันอย่างไรใช่ไหมเฮ้ยอะไรโยมจุมความสงบอารมณ์สงบจากสังขารต่างกันกับแบบคุณแบรนตอบไหมหรือ ว, ว่ามีความคิดอะไรที่มากกว่า น, นั้นความความเข้าใจอะไรที่มากกว่า น, นั้นใกล้เคียงสงบจากอารมณ์เป็นสมถะ สงบจากสังขารเป็นวิปั ส, สนาที่ต่างกันเพราะว่าสงบจากอารมณ์นั้นสมถะไม่ไม่รับรู้ต่ออารมณ์ที่เกิดไม่รับรู้ต่อภัสสะจะให้จิตเป็นหนึ่งอย่างเดียวอ่าก็ไม่รู้เรื่องอะไรเพราะสงบจากอารมณ์ไม่เกิดปัญญาแต่สงบจากสังขารด้วยการปรุงแต่งนั้นเป็นวิปั ส, สนาทาให้เกิดปัญญาอ่าแล้วก็มันจะเกิด ความเบาสบายกว่าแต่สงบจากอารมณ์มันจะหนักเพราะเป็นการสะกดบังคับจิตไม่ให้รับรู้เพราะสงบจากสังขารเนี่ยพอเผลอไม่ได้ปรุงแต่งเลยไอยสกะกดจากอารมณ์แต่ถ้าสงบสังขารเนี่ยหมายความว่ามันไม่ไม่ปรุงแต่งพรารู้เท่าทันเหตุปัจจัยของการปรุงแต่งเพราะฉะนั้นก็เฉลยได้แต่ว่าตัวหนึ่งที่ยังไม่เฉลยคือว่า ตัวยีวอนคือความง่วงเนี่ยมีอะไรเป็นต้นเหตุต้นของมันไม่ใช่ต้นเหตุเป็นเหตุต้นตัวฟุ้งซานต้นเหตุของมันอาจจะว่าความเผลอขอาเพลนแต่เหตุตันของมันคืออะไรเหตุต้นของมันหมายความปนเผลอปนเพลินลด้วยซ้ําถ้าไม่ชัดอยู่นี้ให้ไป นะไม่ใช่กว้างขึ้นไปอ๋อชราความเป็นอ่อนก็กว้างไปอีกฮะแช่ก็เพลินนะเพราะนั่นอะไรนะอะไรนะมันอ่อนจนระิ อ่าวอนตัวไหนต้นต้นโตต้นเหตุต้นของตัวง่วงคืออะไรเหตุต้นของตัวฟุ้งซ่านคืออะไรถ้าทำต่อว่าเผื่อได้ผเพราะนั้นเป็นเหตุอ่าเหตุใกล้เหตุใกล้ไม่ใช่เห ต, เหตใใหเุต้เเนเป็นเหตุใกล้เหตุใกล้ให้เกิดตัวเผื่อดเผนี่เป็นเหตุใกล้ให้เกิดแต่อันนี้เป็เหตุต้นคนละตัว เห็ดใกล้ไม่พอมันมันประพุทธเจ้เกิดตัวนั้นเลยเห็ดต้นเมื่อก่อนที่มาเป็นตัวตัวตัวใกล้อีกอ่าเรียกว่าต้นน้ํากลางน้ำแล้วก็ปลายน้ําอันนี้มันกลางน้ําก็ปลายน้ำเรียวเห็ดใกล้แต่ถ้าเห็ดต้นมันก็ต้นต้นต น, น้ําเพราะฉะนั้นคําถามอันนี้เอาไปทุกคนไปพิจารณานะจะเป็นคําตอบในพรุ น, นี้อีกวันหนึ่ง พอหลังจากผู้นี้สอบอารมณ์ผู้นี้อีกวันก็เรียกว่าเมื่อวันนี้ก็ไม่ต้องละแต่ว่าถ้าผู้นี้ยังตอบทุนไม่ได้ต้องมาอีกวันนึงมันคล้ายๆซ้ำ้างแต่เราก็ยังตอบไม่ได้นะก็ยังไม่อยากจะซ้ำซากนะแต่เนื่องจากเรายังตอบไม่ได้มันต้องซ้ำอยู่ตรงนี้แหละเพลินมันแช่เพลินซ้ำนั่นแหละอันเดียวกัน ก็มาจากพอ mm hmm. บ, บอกเราว่าบริเหตุใกล้อะไรนั่นแหะเป็นเหตุใกล้ ใ, กลใช่เป็นเหตุใกล้ไ mm hmm. ม่ใช่ไม่ใช่เหตุต้น mm hmm. มันก็กว้างอ mm ีู่แน่ด้วยฉันกว้างฮะ <laughs> <laughs> เหตุต้นของความม่วงคืออะไรเหตุต้นของความฟุ้งซ่านคืออะไรอ เ, เ, เอานะเอาแนวม่อีกทีหนึ่งไปพิจ า, ารณารคณนานนืนนี้มาทะลุพรุ่งนี้ทะลุแน่เหมนกนนะหลวงพ่อเคยตอบไปแล้วด้วยแต่ลืมมาเฉยๆแล้วแล้วพรุ่งนี้เนี่ยอ๋อแ น, น่โอเคมรนาสาธุกลาบพระพงศ์กันเอาเรื่องนี้ไปทํานะ